พระธรรมเทศนาแผ่นที่101ลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดราธานีแสดงธรรมในวันที่22ตุลาคม2559มีชื่อเรื่องว่าเอาบุญเข้ากระเป๋าใจคณะสัตายาติโยมโลกหลานขณะนี้เวลา6 นาฬิกาห้าบห้านาทีอีกห้านาทีจะได้เวลาเจดหนึ่งทุ่มนะเรานัดกันเวลาหนึ่งทุ่มจะมาร่วมมารวมกันที่ศาลาแต่พิธีกรรมพิธีการของพวกเราวันนี้ก็คิดว่าคงจะไม่มีอะไรมากหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเย็นพอทำวัดเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลวงพ่อก็คงจะให้ขึ้นไปกล่าวสมโมทนิยกถาตอนรับกับสู้ตอนรับคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานที่มาร่วมงานมาในงานแล้วก็ทําความเข้าใจว่าวันพรุ่งนี้เราจะทําอะไรบ้างจากนั้นก็แยกย้ายกันหลวงพ่อให้สินให้พรเสร็จแล้วก็คงจะแยกย้ายกันหาที่พักแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็ พระบินทบาตก็ประมาณชักจ็ดโมงแล้วโมงหาแล้โมง 20, แต่ไม่เกิน 7.30 ดโมงครึ่งเพื่อรอพี่น้องชาวทางไกลาทางอุรานก็คงจะมาอยู่เมื่อได้เวลาแล้วก็บินทบาตพอบินทบาตแล้วก็มาที่สารากลับมาที่สาราก็คงจะกล่าวคำถวายพระตหารอุทิศส่วนกุศล เสร็จแล้วก็พระสงฆ์ทั้งหลายก็จัดอาหารจัดอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พระสงฆ์หลวงพ่อก็จะได้กล่าวอะไรทําความเข้าใจกับคณะสัตยา ญ, ญาิโยมอีกรอบหนึ่งจากนั้นก็พระสงฆ์อาจารย์พระตาหารพวกเราก็รับทานอาหารตามอัธยาศัยแต่ทีอยังไงก็โรงทานที่โรงทานของพวกเราก็รู้สึกว่า ที่พระท่านรายงานให้หลวงพ่อได้รับทราบที่ขอมาจองเป็นเจ้าภาพจองโรงทานหนึ่งรยแปดสิบเจดโรงทานว่ากันนะแต่จะมาครบทุกโรงทานหรือจะมาเกินก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยววันพรุ่งนี้คอ ย, คอยดูนะเะเมื่อพวกเราเใครรับทานอาหารไม่อิ่มยังไงก็นั่นแนะแต่วันนี้ก็เธอะนะ เมื่อสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก่อจะกลับบ้านไปทานอาหารก่อนก็ยังได้โรงทานอาหารใจเย็นๆเนดะ้อลูกหลานนะเนอะต้องเตรียมคอยรับต้องเตรียมคอยอพวกลูกหลานของหลวงพ่อมาไหว้พระสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะไปรับทานอาหารตามโรงทานเจ้าก่อนแล้วค่อยกลับหาที่พักเพราะว่า ศรัทธาญาติโยมลูกหลานก็มาจากถิ่นไกลอพอมาทำวัดเสร็จเรียบร้อยล้วก็คงจะหาที่พักในละแวกนี้ก็มีตามบ้านพักตามโรงแรมตามอะไรที่เราจองเอาไว้นะ เ, เพราะนั้นอาหารของเราอยู่ในปา่งงาวงคงไปก็คงจะลำบากเหมือนกันนะ เ, เพราะนั้นพวกโรงทานของเราเนะี่ยก่ช่วยๆกันดู ดูญาติธรรมของพวกเราที่มาเข้ามาสู่วัดของพวกเราในวันนี้นะกับวันพวกนี้ก็เตรียมตัวใส่บาตรอย่างที่ว่านะพระสงฆ์ก็คงจะมากอยูอ่พอเสร็จแล้วก็เราพวกเรารับทานอาหารตามมัธยายใสเมื่อทานรับทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ เ, เข้ามาไปจําที่ก็คงทําทพิธีไหว้พระสมาทานศีลห้า จากนั้นก็เจ้าภาพกล่าวนำถวายภาพพระกรถินในปีนี้นะจากนั้นพวกเราก็ได้ร่วมกันถวายภาพพกตินินจากนั้นพระสงฆ์ก่อทพิธีอุปโลกสวดยติเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์ก่ออนุโมทนาให้พรพิธีกรรมพิธีการของพวกเราวันพ่กนี้ก็คงจะลักษณะนี้นะแต่ทายาิโยมลูกหลานนะ ก็จะมีของสร่วยแจกเหมือนกันนะมีหนังสือมี MP3 ส เ, เตรียมเตรียมไว้อยู่คิดว่าน่าจะเพียงพ อ, อสำหรับพวกเราคณะสัายาติโยมแต่หลวงพ่อก็คิดว่างานกะถินของพวกเราก็คงจะไม่มากนะไม่มากเหมือนปีก่อนๆพอปีนี้รู้สึกว่าพอทอดกะถินที่วัดป่าบ้านตาล วันนี้นะเป็นวันเสาร์นะวันนี้เป็นวันเสาร์แล้วก็วันพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์รู้สึกว่าวัดใหญ่ๆที่เป็นเครือข่ายที่เป็นวัดเครือข่ายลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงตามหาบัวรู้สึกว่าทอดกระถินพร้อมกันเพราะนั้นคณะทายาติโยมที่รักเคารพนับถือเรื่องใสในองค์หลวงตาและก็วัดต่างๆ ใครจะเลือกไปคงจะเลือกไปตามวัดที่ตัวเองรู้จักมักคุ้นแล้วที่นี่ที่มาที่วัดของเราก็คงจะมีและก็ไปวัดอื่นก็คงจะมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นคิดว่ากระถินวันพรุ่งนี้หลวงพ่อคิดว่าคนในวัดของเรากคงจะไม่มากนะไม่เหมือนวันเกิดของหลวงพ่อถ้าวันเกิดหลวงพ่อมันเกิดวันเดียวใช่ไมไม่มีใครวันเกิดวันเกิด พร้อมเขาหลวงพ่อในวันนั้นเพราะนั้นวันแกรดวัน27เมษายนนึกว่าโอ้โหฝนมากมายแต่งานกรินนี่หลวงพ่อคิดว่าคงจะไม่มากลูกหลานแต่จรไงๆกัวันพุวกนี้ละ่ะอย่าคอยดูดูกันมากหรือน้อยนะแต่หลวงพ่อคาดการว่าคงจะไม่มากนะมากเรือยไม่มากก็พวกเราทําบุญของใครของเราเหมือนกันนะใครทําบุญก็ได้ของใคร เหมือนกับเราทานอาหารนะ่ะมันเผื่อกันไม่ได้ใครทำก็ใครได้นี้ก็เหมือนกันนะเราสร้างบุญสร้างกุศลพวกเราก็ได้บุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราแต่ละคนแต่ละท่านแล้วก็วัดของเราก็แต่ละวัดในพระพุทธศาสนาปีหนึ่งปีหนึ่งก็มีเพียงครั้งเดียวนะลูกหลานนะคณัสตา ญ, ญาติโยมนะกฐินผ้าพระกฐินนะปีนี้พวกเราได้กาหนด วัดของเรากวัญใจกาหนดวันที่ยนะี่สิบสามเนี่ยยี่สิบสามตุลาห้าเก้านานะอาละมังในที่นี้นะมาพร้อมกันนะนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำไหว้พระทําวัดเดยน็นอระรหังสัมมาสัมบูทโทธข้าก้าว ตังวเรตรงวสังเคคณะสัออายาิโยมทั้งหลายตั้งใจฟังถ้าหากว่าหลวงพ่อไม่พูดไม่กล่าวอะไรให้ฟังเหมือนกับงานของเรารู้สึกว่าแกลนงแกลงแห้งแห้งเพราะนั้นวันนี้จึงได้ออกมาพบกับคณะสัายาิโยมเจ้าภาพแล้วก็ ศรัทธาญาติโยมมาจากจ่าตุระทิศที่มาร่วมมาในงานกระถินสามัคคีในวัดของหลวงพ่อในวันนี้ถือว่าวันนี้เป็นนะว่าเป็นวันมงคลมาหามงคลยิ่งเมื่อพวกเราได้ฟังธรรมเทศนาหรือว่าได้หลวงพ่อได้กล่าว สมโมทนิยกคถาจบลงแล้วขอให้พวกเราน้อมจิตอุทิศถวายเป็นพระราชฎรสุศลเช่นเดียวกันตลอดถึงวันพุ่งนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราถวายภาพพระกระถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็น้อมจิตถวายเป็นพระราชกร์สุสนทถ้าหากว่าพวกเราคิดในใจว่าเอ๊ะ ในเมื่อหลวงพ่อมีแต่ว่าให้ถวายเป็นพระราชกุศลในเมื่อพวกเราทำบุญไปแล้วก็มีแต่ถวายเป็นพระราชกุศลบุญของเราจะได้เลือไม่จะไม่หมดหมดไปเหรอที่เราถวายพระ อ, องค์ท่านไปแล้วหรือถวายอุทิศให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายไปแล้วมันจะไม่หมดเหรอแต่บางคนอาจจะมีแนวความคิดอย่างนั้นขึ้นมาเพราะเราให้สิ่งของมันหมดใช ถ้าเราได้เงินมาร้อยเนี่ยเราแบ่งให้แบ่งไปแบ่งมาก็เลยหมดเงินทั้งร้อบาทหรือหมื่นบาทแสนบาทเราได้สิ่งของมาอะไรเราก็แบ่งมันก็หมดไปอันนี้เราแบ่งบุญมันจะไม่หมดเหรออันนี้ก็คงจะมีความเข้าใจในคณะสัตยา ญ, ญาณโยมลูกหลานบางท่านบางคงคนแต่ในหลักของพุทธศาสนาที่หลวงพ่อได้ศึกษาได้ ศึกษามาในพระไตรปิฎกหรือศึกษาตามแนวแถวของอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวท่านบอกว่าหมดไม่เป็น เ, เหมือนกับชายทุกตะทาบุญกับพระพระเจกพุทธเจ้าพอทาบุญเสร็จแล้วเทวดาเห็นเหตุการณ์อนุโมทนาสาธุ กับชายทุกตะที่ท่านทําบุญกับพระประเจกพุทธเจ้าพราะท่านเขาก็หิวหิวแล้วก็มีข้าวสําหรับเขาเขาเท่านั้นเองแต่นี้นเขายกให้พระประเจกพุทธเจ้าทั้งหมดเขาทําใหม่ทั้งที่เขามาจากการงานเทวดาเห็นทัศน์อุโมทนาสาธุสาธุสาธุาธน้ําใจของชายทุกตะ ล้นหลามล้นเหลือจริงๆแต่นี้เศรษฐีที่ได้ยินอยู่ที่บ้านเศรษฐีเทวดาก็อยู่ที่บ้านของเศรษฐีได้ยินเทวดาสาธุการเทวดาพระอิศเศรษฐีก็ถามว่าใครก่าวสาธุสาธุเนี่ยเพราะไม่เห็นตัวน่ยใช่ไหมเทวดาก็บอกว่าข้าเป็นเทวดารักษาอยู่ในบ้านของท่านนี่แหละ เอาทำไม ท, ท่านสาธุเรื่องอะไร เ, เพราะว่าวันนี้ชายทุกตะที่อาศัยชายคาบ้านของท่านเนี่ยเขาได้ทําบุญกับพระประเจกพุทธเจ้าก็ตักบาตรกับพระประเจกพุทธเจ้าเพราะนั้นเราเห็นแล้วเราเลื่อมใสศรัทธาในน้ําใจของชายทุกตะที่เขาทําบุญในวันนี้เศรษฐีก็บอกว่าอ้าวข้าพเจ้าทําบุญวันละหกแสนกหาปณะนะ ทางสี่มุมเมืองทางประตูเข้าสี่เมืองทางประตูเข้าสี่สทางของเมืองเนี่ยแลวก็ในกลางเมืองอีกแห่งหนึง่งแล้วก็ที่ประตูบ้านของข้าพระเจ้าอีกแห่งนึงทำทานทีละทีละแสนละแสนเป็นหกแสนกหาปณ ะ, ะแต่ละวันทำไมท่านไม่อนุมโมทนาท่านไม่ทาไมผูดแต่เขา้าชายทุ ก, กตะ ทำบุญเพียงครั้งเดียวหน่อยเดียวทําไมท่านถึงอนุโมทนาสาธุกับเขาทีนี้เทวดาก็บอกว่ามันต่างกันการทําทของท่านท่านมีอยู่แล้วที่ท่านทําแต่ชายตุ๊กตะนี่ยเขามีอาหารเพียงมื้อเดียว เ, เขาก็จะต้องทานแต่นี่เขาได้ทําบุญเสียสละอาหารของเขาที่เขาจะทานอยู่แล้วเนี่ย ได้ถวายประเพณเจพระเทเจ้าหาได้ยากที่มีน้ำใจถึงขนาดนี้เพราะนั้นข้าพเจ้าจึงข อ, อนมโมทนาสาธุกับชายทุกตะที่เขาทำบุญในวันนี้เศรษฐีได้ยินเท่านั้นเลเออเราคงจะไปซื้อบุญกับทุกตะที่นะพวกเศรษฐีพวกรวยๆยก็ต้องอาศัยเงินเงินไปซื้อบุญไปแต่ พูดไปเรียบเคียงไปเรียบเออทุกขตะได้ทําบุญแล้ววันนี้นครับผมทําบุญกับพ่อประเจกโอ้ยอิบเอิมอิบอิ่ม อ, อกอิ่มใจอย่างมากเลยเพรนั้นวันนี้ได้ทําบุญพบกับพระเจกพ่อพระเจก พ, พ, พุทธเจ้าเออถ้าอย่างนั้นต้องการเงินไหมถ้าเกินขายเะนะขายบุญผมจะซื้อซื้อบุญที่ท่านที่ทุกขตะทําในวันนี้นะ่ะเอาเธอนะเธอก็จน เราจะให้100ร้อยก็หาปณะนะเออทางทุกตะโวยไม่ขายละพันก็หาครับเออเอาทางนั้นขึ้นเป็นพันขึ้นเป็นหมื่นเป็นแสน 00, เป็นล้านทุกตะก็ขายไม่ได้เพอาีใสุดก็เลยเออจะเอาขายเท่าไหร่ผมไม่ขายแล้ะครับเออผมกลัวมันจะหมดเอ่อท่านทั้นขอแบ่งทถอะนะขอแบ่งให้ผมด้วย ผมจะขอมัวนาผมขอแบ่งบุญจากท่านจะให้ผมจะให้เท่าไหร่อผมจะขอแบ่งบุญไอทุกขตานะี่ยโอ้ยผมให้ไม่ได้แล้วถ้าผมจะให้ได้ผมต้องถามพระประเจกพุทธะสกรที่ต้นบุญของผมที่ผมทําบุญนะ่ะท่านจะว่าอย่งไรถ้าได้เจอพบองค์ท่านนะผมก็จะเรียนถามท่านจะแบ่งบุญให้ได้ไหมเอ อ, เ อ, อท่านอย่างนั้นก็ถ้าได้พบ พ, พ่ะปเจกพุทธะแล้วก็ขอให้ถามถามนะผมจะขอแบ่งบุญตอนนี้ทายทุกคนตาก็ตั้งจิตตั้งใจตั้งความปรารถนาอยากจะพบพระปเจก พ, พุทธเจ้าแต่พระปเจก พ, พุทธเจ้าท่านก็นมีญาณรัตนะท่านรู้ว่าใครนึกคิดเรื่องอะไรใครขัดข้องเรื่องอะไรพระปเจกปเจกพุทธเจ้าก็ท่านก็ออกมาจากที่พักของท่านที่ป่าหิมพาน ท่านก็พดขึ้นมากับจนมามาเห็นทุกขต ะ, ะทุกขตะเห็นโอ้พระคุณท่านาก็ผมขอถามว่ า, เ, าเศรษฐีเขาขอแบ่งบุญจากผมเนี่ยผมจะแบ่งบุญให้เขาได้ไหมที่เขาขอเนี่ยพระปัิเจก็บอกว่าได้แบ่งบุญวันหมดไม่เป็นนะทุกขตะนะเหมือนกับมีเรามีเทียนอยู่เล่มหนึ่งนะเน่ยเหมือนกับเรามีเทียนอยู่เล่มหนึ่ง เราจุดเทียนบูชาพระเนี่ยแล้วก็มีคนมาเป็นร้อยเป็นพันคนมาจุดเทียนเอาเทียนมาจุดมามาม า, มาต่อไฟอมาต่อไฟแล้วก็ไฟอยู่ที่อยู่ที่เราจุดไวนะ้มันพองไหมมันหมดไปไหมไม่หมดพระเจ้าค่ะเออนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละ เราอุทิศส่วนกุศลเราแบ่งบุญกุศลอ่ะมันเป็นอย่างนั้นแหละแบ่งไปเท่าไรก็จริงได้มาเพราะเหตุไรเพราะว่าบุญกุศลเป็นของเป็นนามธรรมเป็นอยู่ในจิตใจเพราะนั้นการแบ่งบุญแบ่งกุศลอย่าไปคิดว่ามันจะหมดนะให้แบ่งไปเถอะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กั บ, บผู้ที่ผู้ที่จะมีส่วนที่จะรับได้กณะกระซาทุคับผม จากนั้นก็มาบอกให้เศรษฐีท่านเศรษฐีครับพ่อประเจก ต, ตนบุญของผมท่านบวอแบ่งให้ได้ท่านท่านต้องการเท่าไหร่ผมขอคนละครึ่งก็แล้วกันนะทุกตะนะครับในเมื่อผมขอแบ่งบุญจากท่านผมก็จะแบ่งสมบัติให้ท่านครึ่งหนึ่งอีกเหมือนกันเราเป็นเพื่อนกันก็นแล้วกันนะท่านได้บุญผมแบ่งเงินให้พอในสุดทุกกตาก็เลยได้สมบัติเศรษฐีครึ่งหนึ่ง บุญกุศลของเพื่อนก็ได้ครึ่งหนึ่งอีกเหมือนกันอแล้แบ่งกันได้เป็นเพื่อนกันตั้งบ้านตั้งหอปราสาทยอยู่ติดกันเลยทีนี้เป็นเพื่อนกันที่อันนี้แหละอันนี้เททุกขตะคนนั้นเลงมาชาตินี้นะก็ได้เป็นพร ะ, ะอนุรุทธเทระนะอนุธะอนุรัตนุธะเทระนะและก็เพื่อนกันที่เป็นที่เพื่อนเป็ น, เ ป, นเป็นเศรษฐีนะี่ย กเมมเ็เป็นสมณะน์ฮะเป็นสมณะน์เป็นเด็กอยู่ในภูเขาวับอนุรุทธเทระเมื่อท่านได้สำเร็จเป็นพระหานแล้วนะท่านก็มองเอ๊ะเพื่อนของเราคนนะั้นอ่ะเขาไปเกิดที่ไหนนะ น, นีะ่ท่านก็นึกถึงนะหาเพื่อนเลยทีนี้มันโอ้เขาไปเกิดบนภูเขานะเดี๋ยวเราจะได้ไปโปรดเขานะท่านก็นะเนี่ยหายตัววับท่านแสดงฤทธิ์ได้ท่านเหาะได้ใช่ไหมล่ะ ท่านก็ไปโปรดให้พ่อให้พ่อเด็กคนเนี้ยท่านก็ไปอยู่จําพรรษากับเขาผลรู้สึกออกพรรษาแล้วป่ะพ่อของเขาก็บอกว่าท่านผมจะถวายกับปิยะพวกผ้าพวกเพสัตชพระอนุรุทธะบอกว่าอาตมาไม่ต้องการเภสัตชแต่อาตมาต้องการกับปิยะธารก คือโยมเป็นลูกศิษย์ท่านโยมคนนั้นก็เกิดความลบเลิ่อมสายพระอนุรุทธะอยู่แล้วนะท่านว่าท่านจะเอาเอาพี่ชายหรือจะเอาเอาพี่ชายเอาลูกของผมมีมีอยู่สองคนคนโตกับคนเล็กคนโตกำลังจะเป็นนม่มแต่คนเล็กอายุเพียงเจ็ดขวบนะพระอนุรุทธะท่านมองเห็นแล้วว่า ที่เป็นเพื่อนของท่านนะ่ยคือสัมมเนี่ยที่อันตัวเล็กเนะี่ยตัวเล็กเนี่ยเป็นเพื่อนของท่านในอดีตชาตินะท่านบอกโอ้อาตมาต้องการอตัวเล็กนะั่นนะแต่ตัวใหญ่ก็ดีให้อยู่ช่วยงานพ่อแม่ซะเอาตัวเล็กนะี่ยไปอยู่อาตมาโอมันตัวเล็กเกินไปนะท่านไม่เป็นไรนะดอกอาตมาเลี้ยงเองไปดูแลเองไม่เป็นไรนี่แหละท่านมองเห็นในอดีตชาติไนดะ้เลอทางพ่อเขาก็เลยมอบ ลูกชายให้คนเล็กให้พอเสร็จแล้วกัท่านก็จับมาเลยเท่านก็บำเพ็ญคุณงามความดีมามากต่อมากเหมือนกันไม่แพ้พระอนุรธธนะุทธะเสร็จแล้วกัท่านก็เอามีดโกนมาเอาเราจะบวชให้นะเสนเนรน้อยนะอายุเจ็ดขวบเราจะบวชให้นะตัง้งจิตตั้งใจให้ดีๆนะตัง้งจิตตั้งใจให้แน่วแน่นะ พระสัมมาเนยก็ตั้งเด็กน้อยก็อนุรุธะสุมนณะซึ่ไชื่อว่าสุมณะนะแต่ก็ตั้งจิตอธิษฐานดูใจของตัวเองพอเกษาของไม่เที่ยงนะอยู่ในผมเห็นไหมมันเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่แล้วก็ผลในสุดตัดทิ้งเป็นของไม่เที่ยงเป็นอันิจังเกษาเป็นอันิจังนะพอเอามีด จ, จดลงไป เส้นผมขาดเพียงสามเส้นท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นี่แหละทําไมจึงได้เป็นพระอรหันต์เพราะว่าท่านบําเพ็ญมาแล้วในอดีตชาติท่านทำมามากต่อมากแล้วออพอมาได้ฟังธรรมเท่านั้นอันิจังนะของไม่เที่ยงนะต้องตัง้งจิตตั้งใจให้แน่วแน่นะพิจารณาดูนะอันิจังไม่เที่ยงนะผมไม่เที่ยงนะเท่านั้นแหะท่านได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ผมขาด เกสาขาดเพียงสามเส้นนี่แหละการได้สําเร็จพระหรหันในครั้งพุทธกาลง่ายเพราะเห็นอะไรเพราะว่าท่านบําเพ็ญมาบําเพ็ญมามากต่อมากอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละบำเพ็ญรักษาศิ้นบังภาวนาบังเดินยังกรมบังอย่างนี้แหละบำเพ็ญชาตินี่ไม่สําเร็จแต่พอชาติต่อไปผายภากนาพอได้ยิน พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ยินธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราเกิดมาในภพนั้นๆพอได้ฟังได้ยินเท่านั้นนะได้เราก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลอะไรเพราะเราบําเพ็ญไปมากโตมากแล้วนี่นีแหละไม่มันไม่ไปไหนนะคะนักาาตัทยาโยมเมื่อเราบําเพ็ญไปมันเข้ามาสู่จิตสู่ใจของพวกเราเนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะที่หลวงพ่อจะเน้นหนักตรงที่ว่า เ, เมื่อเราแบ่งบุญแบ่งกุศลไปนะบุญกุศลหมดไม่เป็นเหมือนกับเรามีเทียนอยู่เล่มหนึ่งถ้าใครมาเป็นร้อยเป็นพันมาต่อเทียนจากเราไปเขาก็ไ ด, เได้เขาก็ได้ไฟไปแต่ไฟของเราไม่ไม่มีการบกไม่มีพ่องเพราะอะไร เ, เขาก็ได้ไฟไฟของเราก็ยังอยู่อย่างเก่านี่แหละอันนี้การอุทิศโฉนกุศลนึกถึงเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลขอบลักษณะอย่างนั้นนะคณะทาญาิโยม ลูกหลานให้ศึกษาให้ฟังเอาไว้หมดไม่เป็นเพราะนั้นพวกเร า, เาไปอยู่นสถานที่ใดเมื่อทําบุญแล้วเราอุทิศส่วนกุศลบุญผุศลัทธาพระเจ้าได้ทําำเลยขอให้เป็นพลังขอให้วงวิญญาณพ่อแม่ปู่ย่าตา ย, ยายญาติชนิดมิตรจะหายที่พวกเราไปทําบุญให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพรเจ้าด้วยทุกครั้งโดยเทินน่ะเราต้องคิดอย่างนั้นน่ะนี่แหละอันนี้คือการบําเพ็ญ ให้อุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณนะหลวงพ่อจะพูดไปเรื่อยๆแล้วนะที่นี้นะ mm. และก็วันนี้เป็นวันที่22คืนวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2559และก็วันพุ่งนี้เป็นวันทอดผ้ากฐินของพวกเราแล้วก็เจ้าภาพใจ เจ้าภาพที่ท่านมาจองกะถินปีนี้ก็คือคุณทวัตชัยรุ่งรุ่งระวิและก็คุณนุชนาฏแส่คอบริษัทแครอทธนิยะนละวันพรุ่งนี้พวกเราคงจะได้เห็ น, นที่เป็นเจ้าภาพที่จองกะถิ่นวัดของเราในปีนี้เป็นผู้นาเป็นผู้นำในการทอด ปะถินแต่เป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์เป็นลูกศิษย์หลวงตาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่บุญมีเออท่านนั่นแหะไปมาหาสู่หลวงปู่บุญมีนาคูลของเราเนี่ยแหะเป็นส่วนมากแลก้วกครูบาอาจารย์นานๆถ้าจะมาวัดของหลวงพ่ อ, อแต่ปีก่อนนั่นก็ถวายผ้าหม่มพวกเราได้ใช้ผ้าห่มเป็นที่อ่อนๆนิ่มๆเป็นร้อยๆผืนหลวงพ่อแจกไปตามวัดต่างๆ กิจยังเก็บไว้ในวัดบ้างเพื่อเป็นอะไระจากนั้นก็แจกไปตามวัดต่างๆที่ศรัทธา ญ, ญาติโยมเพื่อไปวัดก็ได้ได้พักได้ห่มแล้วก็พร้อมกันก็แจกให้คนยากคนจนอีกต่างหากนี่แหละอันนี้ก่อนหน้าเจ้าภาพใหญ่แต่วันนี้ท่านก็ได้ออกผ้าห่มมาอีกแล้วก็เอาตุ๊กตาเราเป็นเจ้าของเจ้าของบริษัทตุ๊กตาเลย หลวงพอ่อเขาไปเห็นคือได้ไปฉันจังหานอยู่ที่บ้านของคุณโยมทั้งสองออแต่ชื่อเล่นคุณไก่ทั้งพ่อบ้า น, นชื่อคุณคุณเจี๊ยบแต่แม่บ้านจะชื่อคุณไก่แสดงว่าไก่ใหญ่กว่าเจี๊ยบนะ <laughs> ตัวเจียเยเ๊ยบตัวเล็กใช่ไหมไก่ต้องใหญ่กว่าเจี๊ยบ <laughs> นั่นแหละวันนี้กับวันพรุ่งนี้พวกเราจะได้เตรียมตัวกันทอดกระถิ่น เ, เมื่อทอดกรถินแล้วก็นนะเป็นบุญเป็นกุศลก็เป็นพวกเราจะาลืมน้อมจิตอุทิศถวายเป็นพระราชนิพนธหลวงพ่อพูดยังไงยังไงในช่วงนี้นะอก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราเป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้มีข้อหนูประการต่อประเทศชาติามากมาย อ, าอย่างทุกวันนี้เนะี่ย โครงการไหนก็ไม่รู้ว่าโครงการไหนพวกลูกหลานของเราสมัยก่อนท่านก็เห็นว่าโอ้เด็ก เ, เมืองไทยโทอมันแกล้งเหลือเกินท่านคนนั้นนางอุตสาไปติดต่อประเทศเดนมาร์กอขอโคโนมโคโนมจากประเทศดินเดนมาร์กนะทางเดนมาร์กเ ข, เ, เขาก็มอบให้ในหลวงในหลวงท่านก็เอานมเอา โคโนมมาเลี้ยงเป็นวา ร, รม์มจากนั้นไงเนี่เมืองไทยลูกหลานจะได้กินนมวัวตั้งแต่คราวนั้นมาแสดงว่าท่านคิดหมดทุกอย่างที่จะดูแลประเทศชาติของของเราให้ความคุ้มครองให้ความเมตตาอะไรจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเพราะองค์คิดหมดนะเพราะนั้นพื น, นั้นพวกเราจึงบองว่าในหลวงเป็นผู้มีคุณูปการ ต่อประเทศชาติอย่างล้นหลามเพราะนั้น เ, เมื่อพระองค์ได้สวรรคาคาไรไปแล้วนะพวกเราในฐานะลูกหลานทั้งหลายก็ควรจะอยู่ในความสงบในเรื่องที่มันจะทะเลาะวิวาทกันก็ดีในเรื่องที่มันจะทำให้เสียหายตบประเทศชาติบ้านเมืองก็ตามนะาพวกเราควรจะอยู่ในความสงบ เ, เพราะว่า ประสบของพระ อ, องค์ท่านยังอยู่ในบ้านในเมืองของพวกเราอยู่ยังไม่ได้พระราชทานและยังไม่ได้ประชุมพระราชทานเพลิง อ, อย่างที่หลวงพ่อเคยเปรียบเทียบให้ฟังว่าสมัยเมื่อหลวงตามหาบัวของเราจุตินิพพานที่วัดป่าป่านตาดพอท่านจุตินิพพานท่านพวกเราก็ได้เอาสรีระสรีระของท่านเอาไว้ใน ห, หีบในตู้เย็น เ, เพื่อรอการพระราชทานเพลิงศรีระสังขารท่านมรณภาพในช่วงเดือนมกราต้นเดือนมกร า, เ, าเราจะพระราชทานเพลิงตอนช่วงเดือนมีนาเนี่ยกว่สองสามเดือนเนี่ยทีนี้พี่น้องชาวดอดรก็มาช่วยการช่วยงานมาดูแลจัดงานจัดการาแต่หน้า บูชาน้ำใจของพี่น้องชาวอุดรก็คือหลวงพอ่อไปฉันที่ร้านร้านขายอาหารเขาในมณฑลพระไปในมนฑ์ไปว้วพระไปมากเขาก็พูดขึ้นมาว่าในขณะที่สรีระสังขารขององค์หลวงตายังไม่ได้เผานะยังอยู่นะพี่น้องชาวอุดรทุกคน มาทานอาหารมามากินแต่ข้าวเสร็จแล้วเขาไม่ซื้อเหล้ากินเลยนะเขาไม่ดื่มเหล้าเลยงดเหล้า เ, เพราะว่าเขาไม่สนุกสนานอคล้ายๆก้อยระลึกถึงบุญคุณขององค์หลวงตาหลวงตาสอนให้พวกเราเป็นคนดีแล้วก็เราจะเป็นคนดีเป็นคนมีคุณธรรมศีลธรรมใน จ, ใจิตใจถ้าเราดื่มเข้าไปแล้วอาจจะเผลอไผลอาจจะทําความชั่วได้ เพราะอะไรเพราะมันขาดสตินะเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวอุดรข้านั้นเขางดอไม่กินเหล้ากันเลยขายเหล้าไม่ออกเหมือนหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อนั่งจังคืดย่างนึกบูชาน้ําใจของพี่น้องลูกหลานของเมืองอุดรและเลือกถึงบุญคุณขององค์หลวงตาถือว่าปู่ปู่ทวดของเราผู้มีอุปคระคุณผู้ใหญ่ในอุดร ในเมื่อท่านจุตินิรพ า, านไปชลีละสังขารของท่านยังไม่ได้ไประชุมเพิงยังยังไม่ได้พระราชทานเพลิงพวกเราจะไปสนุกสนานเปิดเพลินเฮฮาดูดูแล้วมกิดขาดความเคารพขาดความคารวะในชลีละสังขารขององค์ท่านเราควรจะให้เกียรติเราควรจะให้ความเคารพพี่น้องชาวอุตรอนเขาไม่ไม่ดึง ไม่ถึงผองเมือนเมาหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่ออย่างเออเออคนทั้งเมืองเขายัางให้ความเคารพในองค์หลวงตา อ, อแต่นี้หลวงพ่อกลัมาเปรียบเทียวนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราท่านก็ทําคนณูให้กับประเทศชาติบ้านเมืองมามากต่อมากทูตัวเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพวกอยู่ในกรุงเทพเนี่ยโครงการพระราชดา ร, ริเห็นไหมเขื่อนภูมิพล เกินชิลลิกิเ่ยก็ปล่อยน้าลงมากระทำเป็นน้ำประปาให้พวกเราได้ใช้ได้ดื่มได้กินได้ใช้ซักเสื้อผ้าการล้วนแล้วเป็นแนวความคิดของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเป็นผู้มีคุณูปการต่อพวกเราทุกๆคนเปว่าเดินย่างก้าวไปที่ไหนก็ได้รับความได้รับความเมตตาแล้วว่าน้ำใจของพระองค์ท่านที่ท่านได้คิดพวกเราก็ได้รับความสะดวกสบาย ถึงขนาดนั้นอนะ่ะหลวงพ่อว่าใครก็ตามถ้าไม่ระลึกถึงบุญคุณของผู้มีอุปกรณคุณอย่างในหลวงอย่างดูถูกเหกียดตยามไปอกีกอย่างพูดไม่รู้จักความอีกนะพวกนั้นผู้นั้นหลวงพ่อว่าจิบหายทั้งตระกูลถ้าว่าต่อไปภายภาคหน้าก็นะั้นความจิบหายจะเข้ามาอยู่ยกับเขาไม่เจริญรุ่งเรืองโปรดเงั้นอย่างนั้นอนะ่ะไม่เจริญรุ่งเรือง อับเฉาชุดช่วยรวยแหลมไปเรื่อยๆเพื่อไรพ่อไม่รู้จักการะเทศะไม่รู้จักผู้มีอุปกระคุณเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะถึงจะป็นผู้ไรก็าตามปลามาทพ่อแม่ของตนเองนะอย่าไปคิดว่ามันจะเจริญนะมิแต่จิบหายเาพราห็นไรเพราะว่ า, าพ่อแม่ของเราเลี้ยงดูเรามาขนาดไหน จนเราเป็นผู้ใหญ่เอือืมตาอ้าปากได้ขนาดนี้แล้วพอใหญ่ขึ้นมาแล้วดูถูกพ่อแม่ของตนเองเหมือนกับท่านเป็นใครนะอย่างนี้นะนี่แหละถ้าผู้ใดก็าตามถ้าประมาทผู้มีอุปการะคุณพ่อแม่ของพวกเราหรือผู้มีอุปการะคุณอย่าไปคิดว่าคนนั้นจะเจริญรุ่งเรืองนะจิตใจของเขาดําปี๋เลยละ่ะ ถึงจะเจริญข้างนอ ก, กเจริญแต อ, อีกสักวันน่ยความจีบหายจะเข้ามาหาเขาทันทีต่อไปภายภาคหน้าเพราะนั้นกอให้พวกเราทุกๆท่านนะพ่อแม่ก็เหมือนกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เหมือนกับเป็นปู่เป็นทวดของพวกเราพวกเราควรจะให้ความรักเคารพแล้วก็เป็นคนดีท่านไม่ต้องการอย่างอื่นอ๊อกท่านมีพร้อมหมดแล้วข้อสัมพันธ์อยากจะให้พวกเราเห็นเห็นพวกเรานะ่ยคิด คิดดีคิดยังไงคิดดีคิดไม่โลภอยากจะได้ของคนอื่นเขาเใครโกรมันมีหลายมันวงกว้างทางปุ่นทางคตรทางโกงทั้งเงบงเียดทางบังน่ยจะประจัจวาว่าเป็นความโลภนะเราไม่โลภอยากจะได้ของเขาแล้วก็ไม่พระยาบาทปองร้ายเขาเคล้ายๆพระยาบาททำยังไงคิดการแก้งอยากจะฆ่าอยากจะลบควนอยากจะเบียดบัง ทําให้เขาเดือดร้อนทําให้เขาเป็นทุกข์ทั้งคิดจิตตาเขาคิดจะว่าให้เขาคิดเบียดเบียนเขาเนี่ย น, นี่แหละเป็นว่าอิจฉาความอิจฉาเนี่ยคิดว่าโลกจะจะได้ของเขาเนี่ยพยาบาทคำวา่ชชายพยาบาทคือความอิจฉาเนี่ยพยาบาิปองร้ายเขาหนึ่งจากนั้นก็เห็นผิดจากทานองครองทำเห็นผิดยังไงก็เห็นผิดว่าทําดีได้ไม่ได้ดีทําชั่วไม่ได้ชั่ว นโลกสวรรค์ไม่มีคุณบิดามารดาไม่มีคุณครู อ, คอุปชาอาจารย์ไม่มีไม่มีวัยวุฒิไม่มีคุณวนะุฒิตีลวดตีลวดกวดเพียงไปหมดไม่รู้จักบุญคุณของใครนี่แหละอันนี้ประเภทนี้พวกเนี้แปลว่าไม่รู้จกักไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ําอันนี้แปลว่าคนชั่วสรุปแล้วสรุปแล้วก็คือโลคอยากจะได้ของเขาพยาบาลปรองขระ ร้ายเขาเห็นผิดจากทำนองครองธรรมอันนี้จัดเป็นประเภทคนชั่ว อ, อันนี้ว่ามัดโนกรรมคิดไปในทางที่ไม่ดีากา ย, ยกรรมก็คือเราคิดอยากจะฆ่าคนอื่นฆ่าสัตว์ขโมยทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมมุสาสุร า, ามุสาเนี่ยเป็นเป็นสินข้อเป็นสินเกี่ยวกับวาจ า, นะาป้าหน้า ไม่ฆ่าสัตว์อธินาไม่ขโมยทรัพย์กาเมเคารพสิทธิในสามีภรรยาสุราไม่ดื่มธุราเมลายเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอันนี้คือสินสีมโนโกายกรรมวะกีกรรมไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเยาะแยงยุยงสงให้คนทะเลาะวิวาทกันหาสาระประโยชน์ไม่ได้อันนี้แปลว่า การการพูดแปลว่ากา ม, มโนกรรมกายกรรมว จ, จีกรรมวจีกรรมคือคําพูดกายกรรมคือการกระทํามโนกรรมคือแนวความคิดเพราะฉะนั้นการทํากรรมทำได้สามทางนะพวกเราท่านทั้งหลายคณะทาญาทรวมนะไม่ใช่ว่าเรากรัดกายกระทําอย่างเดียวเราว่าการพูดอย่างเดียวไม่ใช่นะจะใช่การกระทําและการพูดจะติดคุกได้นะ เพราะว่าการกระทํำติดคุกได้แต่ว่าการคิดเนี่ยยังไม่ยังไม่ติดคุกนะยังไม่ผิดในภาษากฎหมายเขายังไม่ผิดนะกฎหมายยังเอาเอาโทษไม่ได้แต่หลักธรรมคำสอ น, นบาปกรรมตัวนี้เอาโทษได้แล้วนะถ้าคิดผิดนั่นก็เป็นบาปคิดในใจเนี่ยเป็นบาปตกนรกอเวจีได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆคนทุกๆท่านนะสำรวมระวัง ในการเป็นอยู่ในการของชีพของพวกเราให้รู้จักสูงให้รู้จักต่ำให้รู้จักผู้มีอุปกรณคุณรู้จักพักคุณของพ่อของแม่เนี่แหละพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงสกุลประพฤตตนให้สงควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่าน อันนี้เราเป็นหน้าที่ของบุตรที่ดาลูกหญิงลูกชายทุกคนต้องคิดเอาไว้นี่แหละการที่เราเกิดมาจากพ่อแม่ต่อไปเราจะเป็นผู้ใหญ่เราจะมีครอบมีครัวอีกเท่าไหถ้าว่าพวกเราทํากับพ่อกับแม่ดีนะดูแลพ่อแม่ดีแดูแลใส่ใจในพ่อในแม่ในพักคุณของพ่อแม่เมื่อเรามีลูกขึ้นมาลูกของเราจะดูดูเรานั่นแหละเป็นตัวอย่างนะ แม่ลูกเราก็จะได้ดูเราต่อไปภายภาคหน้าเพื่ออะไรเพราะว่าเราดูแลพ่อแม่เราดีลูกของเราคนนี้ดูเราเป็นตัวอย่างต่อไปเขาก็ดูแลเราดีตลอดไปแต่วาพวกเราดูถูกเหยียจยามพ่อแ ม, ไ ม, มอ่ไม่ให้ความเคารพไม่ให้ความเยงเกรงใจพ่อแม่ลูกของเราก็นั้นละ่ะเอาตัวอย่างเราอีกเหมือนกันทีนี้แหละเราจะไปตำหนิใครอะไรนีไเพราะตัวเองก็ทําให้เขาเหตุอย่างนั้น คนนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอันนี้คือการเป็นอยู่การบริหารจัดการอย่างที่หลว ง, งพ่อได้พูดได้กล่าวแต่ถึงยังไงก็ตามนะท่นี่ถึงหลวงพ่อจะพูดไปที่ไหนๆก็ตามนะหลวงพ่อจะไม่ลืมเรื่องจิตภาวนาเพราะเรื่องภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องหลักเออเรื่องหลักจิตหลักใจของพวกเราท่านทั้งหลายอันนี้สงการภาวนาเนี่ยมากมายมหาศาลเพราะสิงทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมด ถ้าใจของเราเป็นมิตรสายจิเสียอย่างเดียวนะเสียหายถ้าเราจิตใจของเราเป็นสัมมาทิฏฐินะคิดถูกนะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะนั้นจะทํำยังไงใจของเราจึงจะคิดถูกนะถ้าเราคิดผิดก็คือเนะี่ยใจของเราเออระเหยลอยลงไปเรื่อยเรื่อยเปลื่อ ย, ปอยไปเรื่อยหาจุดจบหาจุดที่ยับยั้งไม่ได้ไปว่าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะการ ส่งสินค้าออกไปข้างนอกออกนอกประเทศได้กาไรเพราะอะไรเพราะเราเป็นบริ ษ, ษัทส่ง ส, สินค้าออกนอกนะได้กาไรนะแต่พวกเราส่งใจออกข้างนอกมีตะขาดทุนถนะ้าเราส่งจิตส่งใจใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจไม่เป็นสมาธินะส่งจิตปล่อยจิตปล่อยใจออกไปข้างนอกนะเป็นบ้านะคนที่ปล่อยจิตปล่อยใจออกไปเป็นบ้าพอเป็นบ้าแล้วมันขาดทุน arkadaşlar. ถึงจะมีเงินซับ ม, ม, ม, มีเงินทรัพย์สมบัติบริษัททาร้านใหญ่ขนาดไหนก็ตะคูลใหญ่ขนาดไหนก็เถอะนะแต่พวกเราส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกเท่านั้นแหละเสียหายเพราะนั้นพวกเราจะทำยังไงจึงจะให้จิตใจของเราเป็นสมาธิเนี่นี่นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องสมาธิท่านี่ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตรส ม, มาสัมโพธิญาณใจของพระองค์เป็นสมาธินะ ใจของพระองค์นิ่งใจของพระองค์อยู่อยู่ด้วยความสงบนะเนี่ยว่าจิตใจของพระองค์พระองค์นั่งขัดสมาธิอย่างพระประธานนะที่องค์ใหญ่ๆที่หลังอยู่ที่หลังหลวงพ่อเนี่ยนะพระประธานนะท่านนั่งขัดสมาธิอย่างนะให้พวกเรานั่งสมาธิอย่างนี้แหละขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงอันนี้ก็คือนั่งสมาธิแต่หลวงพ่อ หลวงปู่หลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนหลวงพ่อท่านบอกว่าเวลาเล่านั่งสมาธินะเวลาเราไหว้พระสะกรอรอารหังสวะขาโตสุปฏิปัโนโนโมตสสะพุทธังธรรมังสังขังสุดแท้แต่เราจะว่าได้ได้ไหว้พระได้มากน้อยแค่ไหนไม่สําคัญพวกเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในการไหว้พระสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่แล้ว จานั้นเราก็กราบลงแต่ว่าก่อนที่จะกราบลงและให้แผ่เมตตาสัก่อนนะ อ, อคือแผ่เมตตาให้จิตใจของเราอ่อนน้อมถ่อมตนออไม่ไม่ให้เป็นพิษเป็นภัยกับผู้ใดใครผู้หนึ่งทั้งหมดในจักรวาล น, นมประนมมือขึ้นในจิตตั้งจิตอธิษฐานเออออกมาออกมาจากใจจริงข้าพรเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพรเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่น วิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆุกดวงวิญญาณทุกๆุกดวงใจด้วยเทอญอันนี้คือแผ่เมตตา เ, เป็นเอาเอาใจแผ่เมตตาแบบรวบรัมหรือว่าเอาใจต่อใจและตั้งใจแผ่เมตตาออกมาจากใจจริงจากนั้นเมื่อเราแผ่เมตตาเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิเท่าขาขวาทับขาซ้าย เสร็จแล้วป น, นมมือขึ้นระหว่างอกสก่อนนะ์นอรคือไหว้ครูสก่อนเพราะการที่จะภาวนานะี่ยไม่ใช่ความรู้สึกนึกคิดของผู้ใดใครผู้หนึ่งนะเป็นทัดพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนพระสงฆ์สาวกสอนพุทธบริษัท4ให้ภาวนาเนะี่ยเพราะนั้นให้ก่อนที่เราจะนั่งภาวนาให้ระลึกถึงไหว้ครูสก่อนคือไหว้บรมครูสก่อนคือพระพุทธเจ้า เป็นผู้รู้ดีรู้ชอบโดยพระองค์เองและประกาศพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ตัดสู้อย่างไรทั้งก็ออกพระธรรมออกมาประกาศบอกกล่าวจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้นาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาเผยแผ่ขยายผลมาถึงพวกเราเพราะนั้นเวลาพวกเราจะนั่งสมาธิไม่ใช่เราคิดได้คิดเอาไม่ใช่นะเป็นพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า เพราะนั้นเวลานั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายจบแล้วให้ปนมมือขึ้นระหว่างอกไหว้ครูซะก่อนคือไหวพุทโธธรรมโอสังโฆพุทโธธรรมโอสังโฆพุทโธธรรมโมสามจบจากนั้นเราจะแผ่เมตตาอีกก็ได้ข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขท่านผู้ใดก็ตามต้องการความสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขขอให้มีทุกๆคนทุกๆดวงวิญญาณ ให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกทุกดวงใจทุกๆดวงวิญญาณด้วยเถิดคือทําจิตใจของเราอ่อนน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีให้ไม่ให้เป็นพิษเป็นภัยกับผู้ใดใครผู้หนึ่งทั้งหมดในจักรวาลจากนั้นเอามือลงป้อนลงกําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทพุดโธพดโทธ อันนี้เราจะพริกรรมพุทโธก็ได้เลยครับกำหนดว่าพุทโธพุทธโธพุทโธพุทธโธให้ถีบในหัวใจของเราตรงความนึกคิดของเราก็ได้ถ้ามันจิตใจมันทะเลถลายมันออกออกนอกรู น, นอกทางนะหลวงพ่อก็เคยแนะนําหรือว่าเราจะภาวน า, าพุทธโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธหายใจเข้าทำหายใจออกโมทำโมหายหายใจเข้าสัง ให้จะออกโคนเะเออเราเรียงลาดับทั้งสามอย่างะไพุทโธธัมโมสังโฆธัมโมพุทโธธัมโมสังโฆนะให้มีสติในการบริกรรมสรุปแล้วก็คือให้อยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆนะ อ, อันนี้จากนั้นกับ วันเมื่อจิตใจของเราไม่หลงไม่เผลิดเลยกพทท็พุทโธนะบัดพุทโธพุทโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธพุทโธพุทธโธนี่แหละเราภาวนาอย่างนี้เนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่กว่าให้ทานยิ่งใหญ่กว่ารักษาศีล น, นี่ยการภาวนาเป็นหนทางที่จะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจในเมื่อเรานั่งภาวนา ภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบได้แล้วนะนั่นแหละผู้ที่จะไปภาวนาเลยพรหมนะไปสู่พรหมโลกนะ อ, อ, อันในสงทานอันในสงสินไปสู่สวรรค์ถันวัร น, นะอันในสงภาวนาเลยเข้าสู่พรหมโลกไปขึ้นถูงชั้นพรหมอันในสงภาวนาพวกลือสีทั้งหลายทันวหรือพวกลือสีถึงจะไม่มีาศาสนาของพระพุทธเจ้าเลย ท่านไปบำเพ็ญอยู่ในป่าบำเพ็ญพลดอยู่ในป่าบำเพ็ญเรื่องจิตภาวนาเนะี่ยพวกลือศีทั้งหลายทั้งปวงเนะี่ยจะขึ้นไปสู่พรมเออพวกเราท่านทั้งหลายกำลังการท้าวันพวกเรานั่งภาวนาเน้นหนักเรื่องจิตภาวนาพวกเราจะมีฌานแล้วเขขึ้นไปสู่พรมได้แต่อันนี้สงศีนะั้ไปสู่สวรรค์อันนี้สงทานอันนี้สงศีนะั่นเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะ ที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังเนี่ยให้นําไปประพุทธปฏิบัติในเมื่อเรานําไปประพุทธปฏิบัติจิตใจของเราจะได้รับความสงบเยือกเย็นมีสติสัมปชัญญะในตัวเองในเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นพื้นฐานแล้วก็นำมาพิจารณาทางด้านปัญญาเท่นี่วิปัสสนานี่แหละให้พวกเราศึกษาใท่นี่แหละห ล, ลักธรรมคำสอนของพุทธะนะ หลวงพ่อพูดกล่าวด้วยเลยว่าตายแล้วไม่สูญพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยืนยันเลยตายแล้วไม่สูญพระพุทธเจ้าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าทวัดตายแล้วไม่สูญในหลักธรรมท่านบอกปุกเพนิวาสานุจติยานระลึกชาติผลหลังได้ปุกเพนิวาสานุสติยานจุตูปปาตาญาณการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดและตายตายและเกิดเกิดและตายจุตูปปาตาญาณ นี่แหะอันนี้เมื่อพ่อแม่รูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างๆที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านบวชเข้ามาแล้วก็ท่านบาเพ็ญอยู่ในปา่าตะพายบาดแบกกรดเข้าไปบำเพ็ญในป่าช้าที่กลัวๆนะชาวบ้านก็กลัวมากแต่พระกรรมฐานเข้าไปอยู่ให้มันกลัวนะในเมื่อมันกลัวแนละ้วใจของเรามันไม่ศกออกไปข้างนอก ในเมื่อใจพี่สงออกไปข้งางนอกมันอยู่กับพุทธโธอย่างเดียวจะให้ภาวนาหยุดจุดเนี่ยมันอยู่จุดนั้นนั่นแหะจิตของท่านจะเข้าสู่ความสงบเพราะจิตความเข้าเข้าสู่ความสงบแล้ว น, นะไปอยู่ในที่กลัวกลัวแล้วนะจิตใจนั่งสงบพอสงบเข้าไปเราจะรู้ได้ว่ากายกับใจใจกับกายนะี่ยร่างกายเนี่ยของเราเนะี่ยกับใจของเราเนมันคนละอันกันเลยเห็นได้ชัดเลยเมื่อจิตใจสงบนะ เ, เหมือนกับเราเห็นรถกับคนกับรถอย่างนั้นลนะ่ะ รถเป็นยังไงคนขับรถเป็นยังไงอันเดียวกันใช่ไหมหม่ใายร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจคือตัวนมามธรรมเหมือนกับคนขับรถแต่เมื่อรถเสียรถพังรถหมดอายนะุรถใช้มานานแนะอรโซเฟอร์นี่ไม่ตายด้ท่านว่าร่างใจเนี่ยตายไม่เป็นท่านว่านะออกจากร่างไปเกิดไปปฏิสนที่ไปหาเกิดในภพภูมิต่างๆอีกไปหาเกิดได้อีกแต่ว่าการเกิดตัวนี้นะ่ะ มันไม่ใช่ว่าเราเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นมนุษย์อย่างเดียวไม่ใช่นะท่านว่านะนะทีนี้ถ้าว่าพวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้นะทํากรรมชั่วไม่ได้คิดว่าตายแล้วเกิดเนี่ยทําแต่กรรมชั่วกินเหล้าเมายาจำเรเทเมาเออกรรมชั่วสิ่งที่มันชั่ว ข, ขนเข้ามาหาตัวเองทั้งหมดนั่นแหละเอแปลว่าไม่ได้ใส่ใจในบุญในกุศลพอตายออกจากชาตินี้เท่านั้นแหละทีนี้ไม่มีบุญเหมือนกับคนไม่มีเงิน ดวงวิญญาณไม่มีเงินเป็นยังไงเหมือนกับเรานะ เ, เกิดขึ้นมาแล้วก็มีแต่เที่ยวพิ่าเณ์มีมาเท่าไรกินหมดไม่ได้คิดวางแผนอนาคตของตนเองเอใช้อีรุยชุวยแชรไปหมดพลในสุดอพอเท่าแกชลามา้ไม่มีเงินเป็นยังไงอพอย้ายบ้านแทน้พอย้ายบ้านไปต่างไปต่างประเทศก็ไม่มีเงิน คนไม่มีเงินไ ป, ไปเขีย่ยวทั้งขยะเขากินแลยจะเนีเ่ยฮะผลที่สุดเนี่ยนะเป็นคนทุกคนคนทุกคนจนพะอะ่อยแหละเพราะไม่มีเงินเพราะไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ตั้งต้นไม่ได้คิดว่าตัวเองจะจะอ ย, อยู่อย่างนี้ไปตลอดหาง่ายๆไม่ใช่ฮนะพวกนั้นพวกเราได้เกิดมาในพร ะ, ระพุทธศาสนาให้ประกอบคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศลไว้เคารพพ่อแม่ก็เป็นบุญกุศลน้ลูกหลานนะ่ะ ปฏิบัติพ่อแม่ปฏิบัติบีบดาบรรดาเป็นบุญเป็นกุศลปฏิบัติทำบุญทำทานอย่างพวกเราจะสร้างบุญกระถิน่นนะก็เป็นบุญเป็นกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราเมื่อเราทำบุญบุญกุศลเข้าสู่จิตใจนะ่ะถ้าว่าเราออกจากชาตินี้ไปบุญกุศลก็เข้าสู่เขาเป็นเพื่อนสองของเราเแปลว่าบุญกุศลเขาเป็นเงินอยู่ในกระเป๋าของเรากระเป๋าวิญญาณ น, นะกรนะนะนะเป๋าใจนั่นะ แต่ร่างกายนเนี่ยเผาไฟทิ้งเน่ยไม่มีใครที่จะอยู่โชกฟ้าดินสลายตายไม่เป็นไม่ใช่ตายเป็นเห็นไหมอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเรานี่ยนะท่านก็ยังเข้าสู่สวรรค์นักคารายท่านมีพรหมดทุกอย่างแต่ว่าพระองค์ท่านเป็นผู้บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอยู่แล้วนะบุญกุศลของท่านก็คงจะเป็นเพื่อนสองของพระองค์อีกเหมือนกันพวกเราก็เหมือนกัน ถ้าพวกเราไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้เนี่ยปั๊บแอไม่ไปทางเหนือมันไปทางเหนือบาปกุศลเป็นผู้พาไปบาปจะเป็นเพื่อนสองของใจถ้าเราสร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลเป็นเพื่อนสองของใจเพราะนั้นขอให้พวกเราสั่งสมบุญกุศล น, นะให้เป็นให้บุญกุศลเป็นเพื่อนสองเมื่อเราจากโลกนี้ไป <jewelry> บุญกุศลจะเป็นเป็นผู้พานําไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าจะไปเกิดเป็นมนุษย์ก็เลือกเกิดได้ จะไปเกิดที่ไหนไหนเราเลือกเกิดได้เพราะเรามีบุญนะแต่คนไม่มีบุญเลือกเกิดไม่ได้นะลูกหลา น, นพอหมดพอตายไปแล้วนะอาจจะไปเกิดเป็นลูกช้างลูกมา้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่เป็น เ, เป็นตัวสัตว์ตัวเลนได้ทั้งหมดนะขนาดเป็นพระในพระพุทธศาสนาไม่ไดเ้เวลาจะตายไปไปคิดห่วงหาอะไรพลาดีวร่อนนะัก็ยังยังตายเป็นเป็นเลนได้ เพราะนั้นเรื่องวิญญาณตรงนี้น่ากลัวนะถ้าเราศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพุทธะแล้วพระทั้ขอใหยพวกลูกหลานทุกคนนะหลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังก็นเนี่ยเป็นแนวความคิดสำหรับให้ลูกหลานทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจพวกเรานับว่าโชคดีได้เกิดมาได้พบพระ พ, พุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นผู้พาว บําเพ็นแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวพวกเราเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วก็นําไปคิดนําไปพิจารณาไปกันกรองไตรตรองให้ดีให้ถีท่วนนะเพราะหลักทำความสอนของพุทธะเนี่ยต้องให้ใช้ปัญญาให้ใช้แนวความคิดการกรองไตรตรองออแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆนะศึกษาไปเรื่อยๆจากนั้นจิตใจใจของเราจะได้รับความรู้ความฉลาดไปเรื่อยๆนะท่านเอง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 ทำจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งเมื่อทําจิตใจให้สงบให้เป็นหนึ่งแล้วนะเราจะพิจารณาเรื่องอะไรมองอะไรคิดเรื่องอะไรจะเป็นชิ้นเป็นอันเป็นถ้าเป็นปัญญากับพิจารณาทางวิปัสสนากรเห็นเป็นปัญญาที่แท้จริงขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะเราจิตใจของเราผ่านความสงบผ่านความเป็นหนึ่งมาแล้วนะี่แหละการได้ยินได้ฟัง มีประโยชน์นะกนธธัตถายาโชมลูกหลานท่านจังเน้นหนักเป็นพระเป็นพระบาลีว่าสุสังราสะเตปัญญ์ผู้ฟังด้วยดียอมได้ปัญญาเนะนี่แหละปัญญาเนะี่ยถ้าผู้มีปัญญา น, ะนกินไม่หมดไปอยู่รัตฐานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นฉุกใช้สติใช้ปัญญารอบข้อบรอบรู้ในสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงถ้าคนไม่มีปัญญา ขนง้อเง่าเตา ต, ตูนไปอยู่ที่ไหนไม่ดีทั้งนั้ น, น, นลูกหลานนะในการกล่าวสมโมทชธนิยตถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณพระสีรัตนไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกอนุภาพบุญบา ร, รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายทั้งปวงขอให้มาคุ้มครองคณาทฐาญาติโยมลูกหลานทุกคน